สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าของเรานี้ประกอบด้วยลาบที่จะได้จัตุปจจัยสี่คือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและขีลานาปจัยเภสัชทั้งสี่ประการ น, นี้ว่าชนี้แล้วปุนาจะ มาอีกเล่าพระผู้เป็นเจ้าว่าครั้นเมื่อพระศรีสุขศเข้าไปบินธบาต ท, ที่บ้านปัญจาสารพราหมณ์นั้นหาได้จังหันบินธบาตไม่เสด็จทรงบาดเปล่าออกมานี่แลถ้าสมเด็จพระศรีสุขศทศพลยานไม่ขาดลาบสการะควรจะได้จตุปัจสี่แล้วคําที่ว่าสมเด็จพระศรีสุขศทศพลยาน เสด็จโคจรเข้าไปสู่บ้านปัญจาสาลพรามเพื่อจะบินทบาทไม่ได้จังหันเสด็จกลับบาดเปล่ามามิจฉาคำที่ว่านี้ผิดถ้าจะถือเอาคำที่ว่าสมเด็จพระมหาการุณาเจ้าเข้าไปโคจรบินทบาตในบ้านปัญจาสาลพรามไม่ได้อาหารบินทบาทเสด็จกลับมาด้วยบาดเปล่าจะเชื่อเอาคำนี้คำที่ว่าพระองค์เจ้าไปไหนไม่ขาดลาบ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 ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระทศพลยานเจ้าลาพีมีปกติควรจะได้ลาบสาการะจะตุปใจทั้งสีมิได้รู้ขาดและวันเมื่อสมเด็จพระบรมโลกานาสเสด็จเข้าไปทรงบาทในบ้านปันจะสารพรามไม่ได้ซึ่งอาหารบินทบาทสเสด็จทรงบาทเปล่ามานั้นเป็นเหตุด้วยพระยามาณกระธราม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 พระนาคเสนจริงถวายพระพรว่ามหาราชาดูราณะบพิษผู้ประเสริฐนะฮิอกุศลังพลวะวัตรังอากุศล น, นั้นจะมีกําลังกว่ากุศลหามิได้นะบ่อพิษพระราชสมภารประการหนึ่งมานจะมีกําลังกว่าสมเด็จพระบรมนายกโลกกนาาหาบ่อไมิได้ทางนี้พระองค์จงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทย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 ของบรมจากรพัดดีราชได้ชะนี้จะว่านายประตูมีกำลังมากกว่าสมเด็จพระเจ้าบรมจากรพัดดีราชหรือประการใดพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้นะผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่าโดยว่านายประตูนั้นจะคิดฤิ์ยาบรมจากรพัดดีราชจะห้ามปรามไมิให้เขานำเอาราชบัาการเข้าทางประตูนั้น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 มิให้เห็นสมเด็จพระชินเนธน์บพิษมิให้ชาวบ้านใส่บาตรนั้นจะร้อนใจอะไรนักหนาะเทวดาเป็นอันมากรู้ว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพไม่ได้อาหารบินทบาทก็พากันคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยมาถวายที่พยาโอชามากกว่ามากนับด้วยแสนสมเด็จพระมหากรุณาจะได้ขาดแคลนจากลาบหาไม่ได้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 มานได้กระทำร้ายแก่สมเด็จพระาศาสดาจารย์ได้โยมนี้มีน้ำจิตแคลงใจสงสัยนักหนาด้วยสมเด็จพระมาหากรุณาเจ้านี้หากเสียซึ่งกรรมโกงแห่งสังสารจักสิ้นสุด ส, สัมาสพพุทธสะกตรัสรู้ซึ่งใยยธรรมด้วยพระองค์ทรงไว้ซึ่งบุญญาสมภารหาผู้ใดที่จะปานปูนบ่มิได้ประกอบไปด้วยพระบา ร, รมีประเสริฐเลิศ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 ดูราณะบ่พิษพระราชสมผานอันตรายมีสี่ประการคืออาทิตถันตรายประการหนึ่งอุทิษสันตรายประการหนึ่งอุปะคตันตรายประการหนึ่งปริโภพคันตรายประการหนึ่งสิริเป็นอันตรายสี่ประการกะตมังอาทิตถันตรายอย่างอาทิตันตรายนั้นเป็นประการใดอาณพิสังขตัง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 พูดจะกระทาอันตรายว่ากล่าวด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้เขาเกิดซึ่งความสงสัยอันนี้ชื่อว่าอุปะตันตรายอิทะปริโโพเคและปริโโพคันตรายนั้นได้แก่โภชนาหารที่ปฏิฆาหกผู้รับจะบริโภคอยู่แล้วไปว่าให้สอดแคลว้วมิให้บริโภคได้และกระทาอันตรายด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่า ริโภคันตรายมหาราชาขอถวายพระพรอันตรายมีอยู่สี่ประการอย่างนี้มานมากระทําอันตรายแก่สมเด็จพระบรมโล ก, กนาณมิให้ได้จังหันบินทบาทนั้นชื่อว่าอาทิตถันตรายด้วยพรามรหมณ์คฤหะบดีทั้งหลายมิได้ตั้งไว้ซึ่งอาหารมิได้อุทิศมิได้เห็นสมเด็จพระสีสันเพชเสด็จไป มาจรจึงกระทําอันตรายได้ประการหนึ่งใช่มารจะจันทานกระทําอันตรายแก่พระมหาการุณาองค์เดียวหาบ่ไม่ได้พวกนิครนทั้งหลายไปบินธบาตในปัญจะสารคามนั้นไปยืนอยู่ที่แจ้งก็ไม่ได้อาหารอดอาหารเพราะมารกระทาอันตรายเหมือนกันอันหนึง่งขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภาร ใน ม, มนุษยโลกและเทวโลกและมาราโลกและพรหมโลกทั้งปวงนี้อาตมาไม่เห็นสมณะและพรามประชาชนคนใดคนหนึ่งซึ่งจะทำอันตรายสามประการคืออุทิศสันตรายอุปคตันตรายและปริโพคันตรายแก่สมเด็จพระชินเนธท์บ่พิษได้ถ้าบุคคลผู้ใดกระทำ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 บ่มิให้เห็นสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าจะเปรียบฉันใดเล่าเหมือนสตรีจะสมัครสามัคคีกับบุรุษก็เร้นซ่อนมิให้ผู้ใดเห็นฉนันถ้าว่าสตรีอันจะประพฤตินอกใจสามีไม่กระทำให้ลีลับนี้โทษนี้จะมีหรือว่าหาบ่มิได้นะบ่พิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่า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 มานจะได้กระทำอันตรายสามประการคืออุทิศสันตรายและอุปัคฆ์ตันตรายและปริโโพคันตรายหาไม่ได้มุทธาภลยะถ้าว่ามานกระทำอันตรายสามประการนี้เมื่อใดกระบอกศรีรษะมานจะพึงแตกออกไปได้ร้อยเสียงพันเสียงเที่ยงแทะยะถามีขรุวนาฉันใดมหาราชะ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 ถ้ากระทาอันตรายของที่เขาอุทิศและเขาตั้งไว้ยังไม่ได้ประเคนและอาหารที่ทรงฉันค้างอยู่มิให้ฉันต่อไปทําเมื่อไหร่ศีสามานก็จะแตกออกไปได้ร้อยภาคพันภาคในการเมื่อนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินก็สิ้นวิตมติสงสัยให้สาทุการแก่พระเถระว่าสาทุสา ธ, สาธุพระผู้เป็นเจ้านี้